บทที่26ควรค่า2หนุ่มสาวพักเสียงกันไปครู่ใหญ่ก่อนที่อมริทจะถามลานดาวว่าต้องการฟังเพลงหรือไม่หลอนปฏิเสธและบอกว่าอยากอยู่เงียบๆหรือคุยกับเขามากกว่าขณะพูดตอบก็ต้องบังคับใจตนเองไม่ให้เผยความรู้สึกที่แท้ว่าไม่ปรารถนาจะฟังดนตรีแบนๆไรมิติเคยฟังเครื่องเสียงรถเขาสองสาหนด้วยความทรมานหูเป็นอย่างยิ่งแม้พยายามทําใจให้เป็นสุขมันก็ไม่ยอมสุขเนื่องจากตลอดชีวิต โตมากับเครื่องเสียงชั้นดีจนทนไม่ไหวแม้กระทั่งชุดสเตอริโอระดับปานกลางของอมรลิศ จ, จากการสังเกตหล่อนพบว่าถ้าเพียงแค่แพร่ความคิดเล็กๆจิตไม่แช่อยู่ในอาการตรึกนึกอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะไม่ถูกเขาจับได้ง่ายๆอย่างเช่นหล่อนไม่ชอบเครื่องเสียงประจํารถแต่ไม่เอาใจไปคํานึงถึงเครื่องเสียงก็จะไม่มีมูลทางกระแสจิตชี้ให้เขารู้ได้อย่างไรก็ตามลานดาวเริ่มรู้สึกถึงอาการฝืนเล็กๆอันเกิดจากการสั่งสมความเกรงทีละนิดทีละหน่อย เกิดมาหล่อนไม่เคยต้องระวังความคิดอย่างนี้เลยอยู่กับอมริตบางครั้งเหมือนใจเขาอยู่กับสิ่งอื่นแต่เอาเข้าจริงพอพูดกันจึงทําให้ทราบว่าเขาเฝ้าสังเกตและติดตามความรู้สึกนึกคิดของหล่อนแทบทุกฝีก้าวที่บางครั้งอุตสาหเพียนส่งตาส่งใจพยายามเช้นความคิดให้เขาอ่านและตอบรับพี่ท่านกลับเฉยเมยสบตาตอบด้วยแววว่างเปล่าเสียนี่อันที่จริงลานดาวเริ่มมีความสามารถทางจิตเพิ่มขึ้นเวนละเล็กัวลาน้อยตามชั่วโมงบินแยกแยะได้ว่า อารมณ์ของคนปกติทั่วไปเป็นอย่างไรมีความผันผว น, นผิดแพกแตกต่างขนาดไหนในแต่ละขณะทว่ากับอมริตหล่อนยังจับทางเขาไม่ถูกเอาเลยคลื่นจิตเกิดจากอารมณ์ต่างๆของเขาใกล้เคียงกันไปหมดรากับตั้งมั่นคงที่อยู่ตลอดเวลาเมื่อถามว่าจิตเขาไม่เคลื่อนจากสภาพนิ่งบ้างเลยหรืออมริตก็ตอบว่าเคลื่อนอยู่เรื่อยๆแต่หล่อนจับไม่ได้เองต้องนิ่งให้เท่ากันถึงจะรู้ว่าความเคลื่อนไหวของจิตระดับนี้เป็นอย่างไรลานดาวจึงตระหนักว่า ตนยังห่างชั้นกับอมริตอยู่มากรู้สึกเหมือนหล่อนตัวเปล่าไร้สิ่งปกปิดปล่อยให้เขาเข้าถึงเบื้องลับเบื้องลึกภายในจิตใจได้ตลอดเวลานับว่าเสียเปรียบยิ่งถ้ารู้ว่าระจิตกันอย่างเสมอภาคหล่อนคงสบายใจขึ้นนี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่ทําให้มองออกว่าเหตุใดการร่วมเรียงเคียงคู่จึงควรมีบารมีด้านต่างๆเสมอกันมาถึงถนนกว้างเกือบสี่เลนสายหนึ่งซึ่งเว้นช่วงสะพานลอยห่างกันมากลานดาวเห็นชายในแว่นดําคนหนึ่ง ยืนยกไม้เท้าชีฟ้าเป็นการโบกขอทางข้ามอยู่ย่อยๆในมุมมองของหญิงสาวลอนเกิดความคิดว่าทําไมตาบอดแล้วซ่านักรีเดินข้ามถนนคนเดียวถ้าอยากถนอมชีวิตไว้ก็น่าจะยอมเดินไกลหน่อยหาสะพานลอยข้ามให้ปลอดภัยเป็นเรื่องเป็นราวอีกความคิดระลอกต่อมาคือเดา ว, ว่าเดี๋ยวขบวนรถราก็คงต้องเสียเวลาจอดให้คนคนเดียวข้ามทางนับเป็นเรื่องน่าระอาแทนแต่ถ้าปะเหมาะเคราะห์ดีหน่อยมีใครบนทางเท้าช่วยพาอิตา น, นั่นข้ามถนนพลนไปเสียได้ ก็คงไม่ต้องชักชากันมากนักภาพชายในแว่นดําภาพเดียวก่อความนึกคิดขึ้นสารพัดในช่วเวลาเพียงสองสวินาทีตามแต่การปลูกฝังนิสัยดั้งเดิมจะส่งให้คิดแว่าไม่อยู่ในความนึกคิดเลยคือรถคันของหล่อนนั่นเองที่เป็นฝ่ายชะลอลงกระทันหันแถมหัวรถเบนแอบซ้ายเข้าสู่การหยุดจอดเลยตำแหน่งของชายในโลกมืดเพียงเล็กน้อยประกาศเจตนาของผู้บังคับพวงมาลัยค่อนข้างชัดเจนว่าจอดทําไมก็ปลิบตาปลิบๆเหลียวมองอมรฤต ก็เห็นเขาเปิดประตูก้าวลงจากรถและสาวท้าเดินย้อนกลับไปหาคนตาบอดเบื้องหลังเสียแล้วเยี่ยวตัวกลับมองทะลุกระจกท้ายได้ทอดทัศนาพฤติกรรมที่ไม่เคยเห็นจากแฟนหนุ่มคนไหนมาก่อนอมริตตรงเข้าไปโอบไหล่ชายผู้พิการทางการเห็นและกระซิบกระซาบซึ่งก็คงบอกว่าจะช่วยพาข้ามฝั่งฝากชายตาบอดจึงเงยหน้ายิ้มชื่นแล้วจับที่ต้นแขนบริเวณเหนือข้อศอกของอมริตด้วยความยินดีดูแล้วคงได้รับความช่วยเหลือทํานองเดียวกันจนไม่เห็นแปลก แต่ก็ไม่น่าจะบ่อยนักอะไรบางอย่างในรอยยิ้มของบุรุษพิการบอกหล่อนเช่นนั้นเป็นเรื่องแรงน้ําใจของคนบนทางเท้าที่เห็นอยู่เกือบสิบคนในละแวกนั้นจะด้วยความกระดากอาหรือเห็นทุระไม่ใช่อย่างไรก็ตามไม่มีใครสละเวลาพาผู้มีจกักษุประสาทบกพล่องข้ามถนนให้ปลอดภัยกลับจดจ้องกันเฉยๆใครช่วยกันลุ้นด้วยซ้าว่าจะข้ามรอดหรือไม่รอดใครต่อใครมองน้ำใจอันล้นเหลือของคนขับหนุ่มที่อุตส่าห์ขันแข็งหยุดรถลงมาช่วยคนขายลอตเตอรี่ ลานดาวนึกกระดาษและเกรงเกรงแทนอย่างไรชอบกลนอาจเพราะสายตาคนรอบข้างมองแฟนหล่อนเหมือนกําลังทําสิ่งแปลกประหลาดอยู่ก็ได้ทั้งที่นั่นเป็นเรื่องคอขาดบาดตายท้าทายสํานึกรับผิดชอบของคนเห็นแท้ๆอม m a r i เลือกจังหวะรถขาบช่วงพอเดินสะดวกพาคนตาบอดข้ามถนนไปถึงอีกฝั่งโดยปลอดภัยฝ่ายนั้นหันมายิม้มแย้มขอบคุณในความมีน้ําใจของเขาครู่หนึ่งก่อนชายหนุ่มจะขอแยกตัวเดินตัดถนนกลับมาและเปิดประตูเข้านั่งประจําหน้าที่คนขับต่อ โดยไม่ได้รับผลประโยชน์ใดมากไปกว่าการมีสีหน้าแช่มชื่นกว่าเดิมนิดเดียวเมื่อรถเคลื่อนที่ลานดาวจึงอมยิ้มฝืดฟืดเมื่อครูหล่อนเผชิญหน้ากับความจริงที่ตนเองรู้สึกและนึกคิดเยี่ยงคนธรรมดามองพฤติกรรมของเขาเป็นสิ่งผิดปกติเสียเวลาเสียกําลังงานให้กับคนแปลกหน้าบนท้องถนนเปล่าเปล่าแต่ยามเมื่อการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆผ่านพ้นไปแล้วเช่นนี้จึงนึกได้ว่าควรร่วมปราบปรืมเห็นเขาประกอบวีรกรรมอันน่าสรรเสริญเป็นพิเศษที่ใครๆก็ต้องยอมรับว่า เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องควรทำํำและก่อให้เกิดแรงบันดาลใจอยากทําดีตามต่างหากมิฉะนั้นคงเป็นอย่างหมอดูอุปการะบอกไว้คือจาคะบา ร, รมีของหล่อนจะอ่อนกว่าอมริ์จนไม่อาจอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขได้ทว่าคงจงใจเค้นความยินดีมากไปหน่อยเลยกลายเป็นความกระอักกระอ่วนพิกลพอเห็นว่านึกคิดเฉยๆแล้วฝืนนักไม่อิ่มใจพอเลยทํากระจบเป็นลูกแมวขี้อ้อนไปเลยให้รู้แล้วรู้ลอดใจดีจังเยยรูปหลอกของจ่าหน้าปลื้มที่สุด ใช้มือหนึ่งเกาะศอกอีกมือหนึ่งลูบต้นแขนเยินยอเขาเสียงเล็กเสียงน้อยเอียงคอไปเอียงคอมาฟังรู้ว่าพูดเองเขินเองรองั้นคราวหน้าถ้าเจอแบบนี้พี่จะจอดให้จ้าทําบุญมั่งอุ๊ยลานดาวหดมือกลับยิ้มหุบทันทีไม่เอาละคะ่ะกลัวคนตาบอดเอาไม้เท้าฟาดเราไปช่วยเขาเรื่องอะไรเขาจะมาทาร้ายนึกว่าจะไปจิ้กลอตลรี่ของไงคะอมาลิ์สายหน้าหัวเราะเอือย หมอแ ง, ง่ไรสเน่คนตาบอดส่วนใหญ่นะ่ะจิตใจงดงามมากนะเคยนึกสงสารเหมือนกันค่ะแค่เราอยู่ในความมืดสนิทมองไม่เห็นอะไรพักเดียวยังน่ากลัวและชวนให้รู้สึกอับจนค้นหาอะไรไม่ได้พวกเขามืดสนิทไปจนตายจะยิ่งกว่านั้นขนาดไหนโลกภายในของพวกเขาไม่ได้มืดสนิทอย่างที่เราเดากันหรอกประสาทหูกับประสาทการจะดีกว่าคนธรรมดามากเมื่อกี้จะสังเกตรหรือเปล่าขนาดรถบรรทุกห่อตะบึงมาอีกตั้งห่างเขายังกลัวลาน เหยียบถอยมาชิดขอบถนนการที่ต้องรู้ความสะเทือนอยู่ตลอดเวลาของคนตาบอดทําให้บางคนมีสัมผัสที่6กเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาเสียอีกนะหมอที่ตาบอดบางคนมีตาเอ็กซเรย์สามารถรู้ความบกพร่องของอวัยวะภายในได้เพียงให้คนไข้ามานั่งตรงหน้าเท่านั้นลานดาวเลิกคิ้วสูงมีงี้ด้วยอมาลิ์พงกศีรษะยืนยันดวงตาเป็นอัยตนาที่ทําให้เราเรียนรู้ทุกสิ่งได้เร็วที่สุดแต่ขณะเดียวกันก็เป็นอัยตนาที่บั่นทอนสมรรถภาพของสัมผัสที่6มากที่สุดเช่นกัน หญิงสาวเงียบตรองมนุษย์อาศัยในตาในการรับข้อมูลมาเก็บและประมวลผลมากกว่ า, าวัยวะอื่นใดกล่าวคือความคิดจินตนาการตลอดจนภาพฝันยามหลับล้วนอิงความจำทางตาสูงสุดทั้งโลกจะแปลกเปลี่ยนไปขนาดไหนหากไร้ซึ่งหน้าต่างวิญญาณบานนี้เท่าที่จะเห็นคนตาบอดส่วนใหญ่การศึกษาน้อยนั่งตรงไหนก็นิ่งเงียบสงบเสงเงียมอยู่ตรงนั้นดูไม่มีความทุกข์อะไรมากเลยเดา ว, ว่าเขาปิดการรับรู้อยู่ในขอบเขตเงียบ เ, ยบเชียบภายในที่น่าสงสาร แต่ฟังจากพี่แตร่คนตาบอดจะได้สัมผัสที่6มาชดเชยดวงตาที่เสียไปใช่ไหมคะคนตาบอดทั่วไปจะเหมือนกันอยู่อย่างคือถูกบังคับให้ต้องกําหนดสติสำเนียกรู้การเคลื่อนไหวทั้งของร่างกายตนเองและวัตถุอื่นๆรอบตัวประสาทหูกับสัมผัสทางกายจึงดีกว่าคนปกติแม้แต่พวกเราเองถ้าลองฝึกเร้าการทํางานของประสาทหูหรือกายสัมผัสมากๆก็จะรู้ว่ามีมโนภาพเกิดขึ้นเป็นเค้าเป็นเงาหรือกระทั่งชัดเราเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ นี่เป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่สิ่งลี้ลับพิสดารอะไรเลยลานดาวชักเริ่มกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาจริงจังที่พี่แตรแบอกว่าหมอตาบอดบางคนเห็นอวัยวะภายในเขาเห็นจริงๆเลยหรือคะเท่ากับเครื่องเอ็กซเรย์หรืออาจจะยิ่งกว่าคนตาดีฝึกให้เห็นแบบเขาได้ด้วยจิตของใครก็ทําได้ทั้งนั้นขอเพียงแค่รู้วิธีภายในชั่วโมงเดียวจ้าก็เห็นกระดูกตัวเองได้จิตจ้าแบบเดี๋ยวนี้ด้วยหรือเปล่าชาวนี้ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่นะ ลองขยับแขนวาดไปวาดมารู้สึกถึงอาการวาดแขนชัดไหมหญิงสาวทำตามงงๆแล้วตอบค่ะชัดนั่นแหละที่เราต้องการคือสติตั้งตน้นแค่สามารถรู้อาการวาดแขนได้เท่านี้แหละลานดาวยืดตัวตรงทันทีงั้นเอาเลยค่ะสอนหน่อยทำไงจะเห็นกระดูกตัวเองได้พเพอิญถึงช่วงที่ทางเริ่มเป็นเส้นตรงยาวไม่จําเป็นต้องใช้สมาธิกับการขับมากนักอมาลิศ จ, จึงสามารถแบ่งภาคจิตมาสัมผัสและบอกบทให้หญิงสาว นั่งสบายๆนะมองไปข้างหน้าเหมือนจะดูขอบฟ้าพักสายตาเล่นเอาละหลับตาลงเหมือนยังมองขอบฟ้าเล่นอยู่อย่างเดิมอย่าเพิ่งคาดหวังจะเห็นอะไรทั้งสิ้นนะเพราะความคาดหวังนั่นแหละจะทําให้เราเพ่งเล็งผิดๆเลยไม่เห็นอะไรที่ควรจะเห็นอย่างถูกต้องตามลําดับหญิงสาวพยักหน้านิดๆเหมือนแสดงความรับรู้และเข้าใจเอาสองมือวางไว้บนตักแล้วยกขึ้นสลับกันช้าๆขวาทีซ้ายทียกแต่ละข้างให้นับเป็นหนึ่ง สอสไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบร้อยทำอย่างนี้ก็เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องรองให้จิตมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะต้องตามจับรู้อะไรแค่รู้ความเคลื่อนไหวต่อเนื่องได้ก็เท่ากับเราจําลองโลกภายในของคนตาบอดขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วด้วยความใจเย็นไม่คาดหวังไม่เพ่งเฉพาะจุดจิตเปิดสบายเหมือนลืมตามองขอบฟ้าขณะเดียวกันก็มีสติรู้อาการขยับขึ้นลงของแขนแต่ละข้างเพียงนับไปได้ประมาณสิบครั้ง ลานดาวก็เห็นแขนเป็นเขาเงาเลือนรางความใจเย็นและอาการรู้ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องไม่วอกแวกนี่แหละสมาธิยิ่งตั้งมั่นมากก็จะเหมือนมีแต่แขนเคลื่อนไหวอยู่ในความรับรู้เพียงหนึ่งเดียวสังเกตด้วยว่าถ้าทําถูกต้องจิตใจจะปลอดโปร่งขึ้นเรื่อยๆเอาอันนี้ให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกเมื่ออมริ์เห็นลานดาวรักษาระดับความรู้ไว้ได้คงที่ก็ปล่อยหล่อนทําไปเงียบๆแต่เมื่อมีความฟุ้งซ่านหรือคิดวอกแวกไปทางอื่นก็เตือนพอคิดขึ้นมาหรือรู้สึกว่าตาลอกแลก ให้หายใจยาวๆสบายๆเรียกความสงบกลับมาใหม่นะนั่นแหละรู้ซ้ำไปซ้ำ ม, มาแค่นี้เดี๋ยวเห็นเองว่าสภาพจิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางพัฒนาเหมือนไฟที่ถูกรุนให้โชนสว่างขึ้นเรื่อยๆพ่อนับครบร้อยครั้งลันดาวก็พบว่าจิตที่สงบเงียบเอาแต่ความรู้แขนขยับขึ้นลงซ้ำไปซ้ำ ม, มานั้นสว่างเรืองสงบเบาอยากเยื่อทางความคิดฟุ้งลดลงมากจริงๆซึ่งการเหนี่ยวนาด้วยคาพูดของอมริตอาจมีส่วนอยู่ด้วย พักแก้เมื่อสักเดียวก็ได้แต่อย่าเพิ่งลืมตานะสังเกตไหมตอนนี้พอหายใจเข้าออกจะเหมือนเห็นลมหายใจชัดขึ้นนั่นแหละก็รู้ลมหายใจที่ชัดอย่างนั้นให้ต่อเนื่องไปในระหว่างหยุดพักแขนประมาณสองนาทีผ่านไปอมรลิดก็บอกบทใหม่ยกแขนสลับนับถึงร้อยอีกรอบคราวนี้ดูนะด้วยจิตที่เริ่มสว่างโพลงอยู่อย่างนี้ลองน้อมนึกตามจริงว่า สิ่งที่ทำหน้าที่เคลื่อนไหวอยู่แท้จริงคือกระดูกเป็นซี่ๆมีลักษณะแข็งเป็ น, นกลไกสำคัญในการเคลื่อนไหวการที่เรารู้อาการเคลื่อนไหวของแขนชัดก็เท่ากับเรารู้กระดูกชัดด้วยแม้จะยังไม่เห็นเหมือนตาเห็นภาพสีแต่ก็เรียกว่าเห็นด้วยจิตสัมผัสบ้างแล้วอมริตใช้จิตแนบจิตกำหนดรู้ให้เทียบเท่ากับลานดาวเห็นจากมุมมองภายในของหล่อนเองกระทั่งแฟนสาวนับไปประมาณ20จิตเริ่มปลอดโปร่งมากมีความหนักแน่นตั้งมั่นสูงขึ้น กระดูกที่มีลักษณะแคนแข็งเป็นซี่ๆก็เริ่มปรากฏต่อจิตเหมือนวัตถุฉากฟอสฟอรัสซึ่งกระทบกับอากาศแล้วเรืองแสงขาวขึ้นมารางๆที่ขาววาบๆนั่นแหละรักษาอาการเห็นอย่างนั้นไว้อย่าเพ่งให้มากขึ้นท้าเหมือนปล่อยสำพรารัทิ้งให้หมดหรือแต่ความไรน้ำหนักแต่ขณะเดียวกันก็ให้มีความรับรู้สืบเนื่องแล้วจะเห็นชัดมากกว่านี้อีกล้านดาวเกือบสับสนเพราะการกำหนดจิตเป็นเรื่องละเอียดอ่อนผิดนิดเดียวอาจหาทางกลับลำบาก แต่ลอนก็พบลักษณะของจิตที่ปราศจากการเพ่งบังคับเหลือแต่อาการรับรู้อันเบาโปร่งสดใสจนได้อามาิตตามประกบจิตลานดาวนานกระทั่งตนเองก็เข้าสู่สภาวะสมาธิกระแสจิตเชื่อมต่อกันแนบแน่นทําให้เขาสามารถเชิจิตช่วหญิงสาวโดยกําหนดนึกอย่างแรงว่าจงเห็นนิมิตกระดูกท่อนแขนขาวคมชัดจากมุมมองภายในของลานดาวคล้ายมีกลุ่มพลังภายนอกมากระทบให้เกราะห่อ ห, หุ้มจิตถูกกระเทาะทิ้งหรือกําแพงที่ปิดบังจิตถูกทําลายพังราบ หรือมา่านหมอกที่คลุมบางสลายตัวหลงสิ้นเหลือแต่ความโปร่งใสเปิดเผยให้เห็นกระดูกปลายแขนสองซีกคล้ายตะเกียบขาก่งประกบกันไม่สนิทไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแกนกลางของแขนตนเป็นอย่างนี้ลานดาวสะดุ้งสุดตัวลืมตาโพล่งด้วยความตระนกอกสั่นขวัญแขวนเพราะนึกว่าหล่อนกลายเป็นโครงกระดูกผีไปเสียแล้วอมาลิ์เหลียวมองอย่างรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงกับสายหน้าเสียดายจิตแตกกระจายหมดเพิ่งจะได้เห็นของดีแวบเดียว ลานดาวยังตกใจไม่หายกระพริบตาทีๆยกแขนทั้งสองข้างสำรวจอย่างจะให้แน่ใจว่ายังมีเนื้อหนังห่อหุ้มเป็นปกติขมุบขมิบ ป, ปากเหมือนอยากพูดแต่พูดไม่ออกเป็นไงช็อกเลยเหรอจ้าฝันไปหรือเปล่าคะเมื่อกี้เห็นกระดูกชัดเลยไม่ใช่ฝันหรอกถ้าฝึกรับรู้การเคลื่อนไหวของแขนด้วยสติธรรมดาจะแค่รู้สึกว่าแกนกลางการเคลื่อนไหวคือกระดูกแต่ถ้าทาไปเรื่อยๆกระทั่งเกิดสมาธิ ป, ปลอดโปร่ง จะเห็นเป็นเงาสว่างร่างๆและถ้าเมื่อไร่จิตรวมนิ่งเป็นหนึ่งก็จะเห็นชัดเหมือนจิตฉายแสงเอ็กซเรย์อย่างนั้นแหละเสียดายไม่ทําใจเป็นกลางๆเลยหลุดเผลททั้งที่อุตส่าห์ศพโอกาสเห็นได้เร็วอย่างนี้แล้วหญิงสาวยิ้มแห้งๆกล่าวเสียงอ่อยขออภัยค่ะมือใหม่สนุกดีแต่หน้ากลัวจังของมันอยู่กับตัวเรามาแต่เกิดไปกลัวทําไมลานดาวอึกอักสักจจะความจริงนี่ทําไมโหดร้ายนะคะจะให้รับว่าที่แท้จะเป็นกระดูกผีหรือ ผีมันมีกระดูกได้ที่ไหนมีแต่คนนี่แหละเป็นกระดูกทั้งแท่งแล้วไม่ยอมรับกันลองใหม่ไหมอาจจะต้องรวบรวมจิตนานหน่อยเพราะกระเจิงกระจายเสียหายหมดแล้วเดี๋ยวจะช่วยนำให้เห็นตับไตไส้พุงมไม่ราคาขอตัวนี่แหละนะคนเรากลัวกระทั่งการเห็นตัวเองนึกว่าจะชอบดูอะไรสนุกๆไหนอยากรู้ไงละ่ะว่าเขาเห็นเป็นเอ็กซเรย์กันยังไงพอทาได้กลับวิ่งป่าราบเสียหนี้ค่ะปอดแหกตาขาวกลัวมาก ยอมรับโดยดีไม่เป็นไรแค่เห็นตัวเองเป็นกระดูกถือว่าคุ้มค่าไม่เสียชาติเกิดแล้วใช่ไหมคะโถเอ๊ย ơi, เพิ่งเห็นแค่กระดูกปลายแขนยังไม่เห็นเป็นโครงกระดูกเต็มรูปด้วยซ้ำอีอีเหลือเชื่อเลยว่าของมันเห็นกันได้จ่งแจ้งจังปางปานนี้ขนลุกไปทั้งตัวเลยลองดูใหม่อีกทีไหมคราวนี้ตั้งสติดีเห็นอะไรให้ทำเฉยเฉยไวอมรริ์ขยันขยอไม่เอาอ่ะกลัวน่าเสียดายนะ บางคนพยายามจนเลือด ก, กำเดาแทบไหล ย, ยังไม่สำเร็จจะทำสำเร็จง่ายๆเลยไม่เห็นค่าไม่ทำต่อให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นพยายามจนเลือด ก, กำเดาไหล ย, ยังดีนีิจะพยายามแล้วฉี่เจราตอายตายอมริตระบายลมหายใจยาวแล้วอดหัวเราะไม่ได้เลิกเซาซีขัดใจมากกว่านั้นลันดาวมีศักยภาพที่จะทำอะไรได้มากมายแต่ทำนิดทำหน่อยแล้วเลิอกอยู่เรื่อยโดยเฉพาะในแง่ที่เกี่ยวกับความสามารถทางจิตถ้าสนใจอะไรหล่อนจะทำได้เร็ว แต่ก็หมดความสนใจและเลิกล้มอย่างรวดเร็วเช่นกันตัวอย่างเช่นทําให้เขาสมหวังที่มีหญิงอันเป็นที่รักเข้ามาร่วมฝันแต่พอร่วมฝันกันแค่สองสาหน ล, ลานดาวก็ยุติความเพียรเชื่อมต่อทางจิตยามหลับไปเฉยเฉอ้างเหนื่อยอ้างเพลียอ้างสมาธิตกต่ำ ต, ตามเรื่องตามราวถึงการจนะบุรีในเวลาประมาณ9ก้าโมงเศษแว้ถ่ายรูปที่สะพานข้าแม่น้ําแควอันเป็นทางรถไฟสายสันติภาพสถานที่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายทารุณ สมัยสงครามโลกครั้งที่2จากนั้นเข้าไปที่เขื่อนศรีนครินบ่อนแม่น้ําแควใหญ่อันเป็นงานก่อสร้างกําแพงกั้นน้ําสีขาวขนาดยักษ์ด้วยฝีมือมนุษย์เห็นแล้วบังเกิดความตื่นตาในความยิ่งใหญ่โมโหล า, านและเวงวางริบเลี้วชวนพิศวงดุดผู้สร้างจะประกาศแข่งขันกับความมหึมาแห่งลําน้ําแควด้วยความสูงจากรากฐาน140เมตรความยาวสันเขื่อน610เมตรและมีอ่างเก็บน้ํากว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ถึง4ี่ตารางกิโลเมตร แหล่งท่องเที่ยวอันน่าตื่นตาประทับใจเป็นเครื่องชี้ได้ประการหนึ่งว่าคนที่มาด้วยกันนั้นมีความหมายเพียงใดลานดาวเคยเที่ยวไปตามสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอันงดงามมาหลายแห่งกับเพื่อนชายหญิงมากหน้าหลายตาเพื่อพบว่าหล่อนยังมีความเงียบเหงาลึกซึ้งเป็นเงาตามติดตัวไปทุกที่ยังไม่สมใจยังไม่ถูกเติมเต็มราวกับชิ้นส่วนแห่งอุทยานทั้งหลายขาดหายสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเสมอเพิ่งเมื่อรู้จักกามาวันทาคนแรกที่ทำให้สถานที่สวยงามกลายเป็นดินแดนชวนฝันสมบูรณ์แบบ ทวเหมือนมีเข็มแหลมปักเป็นชนะกอยู่ด้านหลังของหัวใจหวานที่สุดคมที่สุดปนเปยากจะแยกแล้ววันนี้อมริตก็อยู่เคียงข้างหัวใจหล่อนถูกเติมเต็มถึงที่สุดโดยปราศจากข้อขัดแย้งแสลงอกขณะทอดาตาไปสุดห้วงน้ํากว้างไกลลานดาวเหมือนสัมผัสได้ถึงความเยือกเย็นล้าลึกในทุกอนูน้ําที่เสมอ ก, กันกับความสุขสงบกลางอ ก, อกตนเองในปัจจุบันเงาร่างสูงสมส่วนกับหล่อนเสมือนปีกอีกข้างที่เคยห่างหาย เมื่อกลับมาเข้าคู่จึงรู้ว่ารถแห่งการโบยบินไปในห้วงฟ้าไพศาลนั้นเป็นสุกลำลึกปานใดจอดรถชวนกันเกี่ยวก้อยเดินเล่นบนสันเขื่อนอันทอดตรงเหยียดยาวสุดตาไว้ถ่ายรูปตรงจุดนั้นจุดนี้เพิ่อรู้ว่าเขาเป็นตากล้องที่สนใจการถ่ายภาพมากเห็นจากการยอมควักกระเป๋าจ่ายแพงซื้อกล้องระดับมืออาชีพไว้ใช้และอันเนื่องจากมันเป็นอุปกรณ์ดิจิตอลที่เห็นผลงานจากจอ L C D ได้ทันทีก็ทําให้เห็นความเข้าใจของเขาในเรื่ององค์ประกอบ แสงและเงาตลอดจนทักษะความแคล้วคล่องในการปรบับโฟกัสรูรับแสงความเร็วชัตเตอร์และการเลือกซูมอย่างชาญฉลาดทุกรูปที่ออกมาดูดีเหมือนฝีมือช่างตามสตูดิโอมากกว่าจะเป็นมือสมัครเล่นสามัญธรรมดาเห็นจากการเลือกมุมเหมาะประกอบการจัดท่านั่งท่ายืนให้หล่อนรวมทั้งการคอยบอกรายละเอียดแม้วิธีชำลืองตาความกว้างแคบของการแย้มริมฝีปากให้พองงามยิ่งฉายว่าเขาสังเกตสังกาและรู้จักเส้นสายรายละเอียดองค์ประกอบในกายหล่อนมากมายเพียงใด ยิ่งกว่านั้นอมริตยังเป็นตากล้องอุบายจัดบางรูปเพียงเขาสั่งให้เปลี่ยนวิธีนึกคิดนิดเดียวจากยิ้มที่ดูแย่ก็กลายเป็นยิ้มชื่นและสดใสโดดเด่นกว่าเดิมจากหน้ามือเป็นหลังมือไปได้ชักรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนางแบบมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มสนุกกับการโพสต์ท่าเก๋ไก๋ไม่เคอะเขินตามแต่เขาสั่งทั้งเอียงหน้าชมายตาทั้งยักเอวอวดส้ทรงโค้งเว้าทั้งกระโดดลิงโลดระเริง ย้ายจากมุมนี้ไปมุมโน้นเปลี่ยนจากเขตแห้งไปยังเขตน้ําดึงดูดสายตาผู้คนรอบข้างให้หันมาสนใจอาจนึกว่าถ่ายแบบไปลงนิตยสารกันเพลินจนลืมเวลาทั้งตากล้องและนางแบบสายลมและแสงแดดรอบตัวเหมือนส่วนหนึ่งในสวสวรรค์ล้านดาวยิ้มสมนัตและหัวเราะเริงร่าออกมาจากหัวใจเบ่งบานเกินบรรยายโหไม่ถึงสองชั่วโมงกดไปร้อยกว่ารูปแนะ่มีการ์ดความจําติดมาเยอะเป็นพันรูปก็ยังพอเหลือเฟือรู้ค่ะ แต่จะบอกว่าพี่แตราขยันจังเฉลี่ยแทบนาทีละครั้งบางจุดชักไว้ถีๆเป็นสิบก็มีไงถ่ายจ้าแค่คนเดียวมีพี่ตรแค่สองสามรูปเองจ้าถ่ายเดี๋ยวพี่ตรายมั่งดีกว่าเดี๋ยวเราย้ายไปน้ําตกเอราวันค่อยถ่ายพี่บ้างแล้วกันค่ะไปก็ไปแต่ชักหิวแล้วละ่ะมื้อกลางวันเสร็จสิ้นในครึ่งชั่วโมง2หนุ่มสาวเดินทางต่อไปอยังอุทยานแห่งชาติเอราวันบนฝั่งแม่น้ําแควใหญ่ห่างจากเขื่อนศรีนครินไปนิดเดียว เอราวันเป็นน้ำตกใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศสายธารหลั่งไหลาจากระดับบนสุดถึงล่างสุดลดหลั่นกันลงมาเจชั้นเป็นระยะทางเกือบสองพเมตรท่ามกลางป่าเขาเขียวชอุ่มด้วยแมไม้นาณาพันธุ์ทั้งเถาวัลย์พันเกี่ยวบนต้นใหญ่ทั้งกล้วยไม้ป่าบนขาคบไม้ทั้งไม้ที่ผลัดใบและไม่ผลัดใบเสียงสาซาของสายน้ำที่ผ่านโขดหินสู่แอ่งเบื้องล่างคลอเสียงเพลียกจุบ๊บจิ๊บของนกกลางลำนาวไพลฟังเสมือนดนตรีดั้งเดิมครั้งเมื่อโลกพิพพิเริ่มสร้าง สับสัเนียงจอกแจ๊ของนักท่องเที่ยวกลายเป็นความแปลกปลอมที่แทรกซอนได้เพียงน้อยไม่อาจทำลายบรรยากาศบริสุทธิ์ของพุ่มดงพงพลึกลงเลยแต่ละชั้นมีลีลารินไหลอ่อนช้อยและ ท, ะทั้งทลักทลายคลุมคลื่นแตกต่างกันมาเอราวันแห่งเดียวจึงได้ชมน้ำตกครบทุกสีสันและเนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตเงาฝนแม้ฝนพรำลงมาบ้างไม่เป็นอุปสรรคต่อกันด้านดลหลัดเลาะขอบป่าเบญจพรรณเพื่อชมความตระการตานานาชนิดแต่อย่างใด สองหนุ่มสาวจูงมือและประคองกันขึ้นสูงไปเรื่อยๆแวะถ่ายรูปบ้างพักเหนื่อยบ้างตามชั้นช่องต่างๆจนกระทั่งรูถึงน้ำตกชั้นเจ็อันเป็นสุดยอดแห่งเอราวัณภายในเวลาประมาณสองชั่วโมงเศษณจุดนั้นทุกคนเปิดตาตะลึงลืมเหนื่อยเสมอเมื่อพบกับทิวทัศน์ผาสูงซึ่งมีโหนกคล้ายพญาโคชสารยื่นเสียเดินออกมาจากภูผาอีกท้งน้ำสีขาวที่แยกสายไหลบาลงมาเป็นสองซีก มองไกลๆคล้ายงาช้างรากับชั้นเจนี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นด้วยน้ำมือสถาปนิกผู้ชำนาญออกแบบหินบังคับเส้นทางน้ำมีเจตนาสร้างม่านขางดงามตรึงตาเป็นสองเสียงโดยเฉพาะมานั่งเคียงกันแช่เท้าลงในแอ่งน้ำเย็นที่ตีนผาอมาติดอบเอลลานดาวไว้หลวมๆพิสวัตรเงียบฟังเสียงหายใจหอบเหนื่อยของหล่อนมากกว่าเสียงน้ำตกเบื้องบนจะไม่เคยขึ้นมาถึงชั้นเจเลยเคยมาเอราวันเมื่อหลายปีก่อนขึ้นถึงแค่ชั้น3ามหรือสี่เอง พี่ไม่เคยมาเลยด้วยซ้ําต้องขอบใจจ้าที่วันนี้ชวนข้างบนนี้สวยจริงๆถ้าเรามีอย่างนี้ไว้ดูที่หลังบ้านก็ดีเนะอืมกลับถึงกรุงเทพพี่กัดจะสั่งเขาย้ายไปให้จ้าอยู่พอดีลานดาวหัวเราะเอราวันนี่ชื่อช้างใช่ไหมคะอมาลิดพงกศีษะเอราวันเป็นช้างพาหนะของพระอินทร์จริงๆแล้วมีสาสามเศียรคนมาเห็นชั้นเจ็ดคล้ายหัวช้างกับงานช้างเลยเรียกเอราวันชายหนุ่มตอบฉาดฉานเรากับเตรียมข้อมูลอย่างดีเพื่อมาเป็นไกด์ หญิงสาวเงียบนิ่งชั่วขณะรีตาทอดมองภาพเบื้องหน้าอย่างจะซึมซับทุกสัมผัสประทับลงในความทรงจำตลอดไปไม่ลืมเลือนธรรมชาติสวยเหมือนความฝันแต่จะไม่อยากให้นี่เป็นแค่ฝันชั่วคราวเวลาสุขเราอาจมองน้ำตกที่แยกเป็นสองสายโดยเปรียบว่าเหมือนงาช้างของพระอินทร์แต่ยามทุกข์อาจอุปท า, านทึกทักว่าเหมือนม่านน้าตาตัวเองก็ได้น้าตกไหลลงมาเป็นทางเดียวและเริ่มแยกเป็นสองแพร่งที่ขดหินนั่น ไม่ใช่ไหลต่างสายไหลต่างทางกันเหมือนน้ำจากสองตามนุษย์เสียหน่อยจะต้องมีตาหาเรื่องอย่างหนักทีเดียวถึงเห็นแล้วเปรียบเป็นสายน้ำตาได้ลานดาวหัวเราะนิ่มๆจริงด้วยค่ะจะคงนึกว่าเป็นยักษ์ตาเดียวมั้งกังวลอะไรกันแน่หรือบอกพี่ได้ไหมหญิงสาวนิ่งไปนานก่อนตอบด้วยท่าทีลังเลจะแค่แค่อะไรตอนกาลังสุขที่สุดเราอาจไม่อยากเสียทุกสิ่งตรงหน้าไปกระทั่งกลายเป็นกังวลมั้งคะ อมริดรูปร้า่ชายโครงหลอดอย่างถนอมปลอบรู้ไหมส่วนใหญ่คนเราทุกพอคิดถ้าเลิกคิดมากก็อาจพบว่าทั้งชีวิตต้องเจอเรื่องเลวร้ายอย่างแท้จริงแค่สองสามผลเท่านั้นแค่เรื่องเดียวที่หนักหนาสาหัสจริงจะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทนได้แล้วค่ะชายหนุ่มสายหน้าเล็กน้อยก่อนเอ่ยถามตรงไปตรงมาจะคิดว่าความรักของเราควรค่าแก่การยอมแลกกับทุกสิ่งไหมลานดาอ่ำอึ้งเล็กน้อยไม่อาจหลุดปากตอบรับหนักแน่นทันใดเป็นอัตโนมัติ แสดงความกลังขาในตัวเองให้เขาเห็นจึงถอนใจและกล่าวตามตรงแทนที่จะเสแสง้งแกล้งพูดแบบขอไปทีจะเป็นคนอ่อนแอภูมิต้านทานถุกต่ำเจ็บนิดเจ็บหน่อยก็ดิ้นไปดิ้นมาแถมยังมีความอดทนน้อยกับการต่อสู้และการฝ่าฟันที่ยากลําบากจบปริญญาได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมานี้ไม่ต้องฝ่าฟันไม่ต้องเจออุปสรรคยากเย็นบ้างเลยหรือการเรียนดนตรีคือสิ่งที่จะถนัดไม่ต้องออกแรงมากนี่คะมันต่างกับอีกหลายๆเรื่อง เอาเป็นว่าพี่จะพยายามทําทุกอย่างให้เราได้อยู่ด้วยกันนะพี่แตรผ่านโลกเห็นชีวิตและเข้าใจตัวเองยิ่งกว่าจะมากบอกได้ไหมคะว่าที่เรากําลังรู้สึกต่อกันนี้ความจริงคือหลงหรือว่ารักอมริคิดอยู่เกือบครึ่งนาทีก่อนเลือกคําตอบที่เหมาะได้ความรักอาจเริ่มต้นมาจากความซึ้งใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรืออาจเริ่มต้นจากความลงไหลสเสน่หของอีกฝ่ายความรักชชายหญิงจะไม่มีตัวตนขึ้นมาลอยๆโดยปราศจากสาเหตุ สิ่งที่วัดว่าความรักนั้นแท้หรือเทียมคงต้องใช้ใจเราเองเป็นอันดับแรกถามตัวเองง่ายๆว่ารักนี้แน่นแฟนลึกซึ้งขนาดไหนจากนั้นปล่อยให้เหตุการณ์ระหว่างอยู่ร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันเป็นตัวยืนยันว่ารักเราชนะกระทั่งความกลัวตายไหมลานดาวเบ้ปากจ้าว่าจ้ารักพี่ตรมากกว่าพี่เอินอีกบางทีพี่เอินมาโอบกอดเราเหมือนแสนรักแต่บางทีพอเราจะกอดบ้างก็สลัดเหมือนรังเกียจไม่สนิทใจอย่างนี้เลยแต่ขนาดนั้นจ้าก็เคยอยากฆ่าตัวตายเพราะพี่เอินมาแล้ว นั่นเท่ากับรักของจ้ารุนแรงเหนือความกลัวตายหรือยังคะชายหนุ่มหัวเราะเอื่อยๆจะไม่ได้คิดค่าตัวตายเพื่อบูชารักแต่อยากค่าตัวตายเพื่อหนีความทุกข์ทรมานใจต่างหากนั่นเป็นการทําเพื่อเอาใจตัวเองนะไม่ใช่ทําเพื่อความรักไม่ใช่เพราะซึ้งถึงค่าของเอื่ยนอย่างท่องแท้หญิงสาวทําหน้าบึ้งหน่อยๆแม้มุมมองนี้ทําให้อะไรอย่างหนึ่งกลายเป็นตรงข้ามได้เลยนะคะจ้าว่าชีวิตจ้าถ้าอยู่โดยปราศจากความรักก็สู้ไม่มีชีวิตเสียเลยดีกว่า ที่จริงยอมตายเพื่อความรักยังอาจแพ้การยอมมีชีวิตที่ต่างไปเพื่อความรักด้วยซ้านะเพราะกลั้นใจไม่กี่นาทีก็ตายแล้วใครต่อใครทํากันมาเยอะแต่การจะต้องกัดฟันทนทวนกระแสเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นดอกไม้บูชารักนั้นมีสักกี่คนที่ยินยอมระหว่างเราไม่ได้ต่างกันถึงขนาดต้องเปลี่ยนนิสัยหรือวิธีทางอะไรมากนี่ใช่ไหมอมริตกุมมือน้อยอย่างจะเผื่อแผ่ความอบอุ่นไปถึงหัวใจฝ่ายนั้นเลิกคิดมากเถอะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติ แล้วรอทุกสิ่งบอกด้วยตัวของมันเองว่าต้องการให้เราทำอะไรบ้างค่อยดูกันว่าใจเราพร้อมจะทำเพื่อรักได้แค่ไหนสำหรับที่นี่วินาทีนี้ควรให้เป็นเสี้ยวแห่งความทรงจำดีๆระหว่างเราที่ย้อนมาระลึกแล้วเหมือนน้ำใสยอยู่เสมอไม่เชื่อมนทินเพียงเพราะวางแผนหรือเกงอนาคตไกลเกินตัวจนกลุ้มใจเปล่าล้านดาวตรองแล้วเห็นตามจึงสยายยิ้มกระจ่างซึมซับความสุขจากภาวะคู่ด้วยใจที่เต็มดวงกว่าเดิม เอ็นหน้าซบไหลและปล่อยตัวให้เขากระชับกอดแน่นขึ้นอีกอ้อมกอดของอมริตอบอุ่นจนหลอนปรารถนาจะหอ่อตนเองเป็นสมบัติแนบกายเขาไปจนชัว่วกะลาปวสสาน